อนาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ546 1. ภิกษุทํามเป็นเพดานเครื่องลาดพื้นม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 2. ภพิกษุวิกลจริต 3. ภพิกษุต้นบัญญัติโกศิยวักสิขาบทที่หนึ่งจบ